ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงพระพระุทธยานได้นำเสนอเรื่องราวของเจ้าชาจิตตถัก็มาถึงจุดที่แต่งงานกับเจ้าหญิงยะโสธราหรอพิมพาก็ในช่วงตรงเนี้ยพระองค์ก็จบการศึกษาแล้วแล้วก็มีครอบครัวแล้ว สภาพแวดล้อมต่างๆนั้นเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งที่ทำให้สนไทัยที่จะศึกษาคนควาไอสภาพแวดล้อมต่าง ๆ, ๆเพราะว่าจากตั้งแต่ประสูตรมาจนถึงในพิธีแต่างงานเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสสัมผัสราชดอน ว่าจริงๆโลกสังคมที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมันเป็นยังไงคืออยู่กันยังไงในข้งหลักฐานของเรานั้นก็พูดไว้โดยส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปดูที่หลักฐานในที่อื่นๆต่างๆแล้วก็มีอยู่หลายเรื่องที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างในการคือที่เราพูดปัจจุบันพูดถึงวิสัยทัศน์เนี่ยโลกทัศน์ชีวทัศน์อะไรก็แล้วแต่จะเรียกั การมองโลกมองชีวิตในแง่ที่เข้าใจเขาขนาดไหนล่ะเพระตามปกติแล้วชาวโลกเรานั้นจะหลงโลกนะจะติดโลกเพราะโอกาสที่จะเข้าใจโลกนี่ค่อนข้างยากเพราะว่าเรามักจะมองในมุมที่เราชอบกับเราชังเพราะชอบมันก็ปกป้องแล้ว พอเราชังมันก็ปฏิเสธแล้วนะเห็นนะเราไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงเข้าไปสู่ว่าสิ่งที่เราชอบแลยจริงๆคืออะไรสิ่งที่เราชังนะจริงๆคืออะไรมันเรืมองในแง่ของของโลกตามเขาเรียกว่าตามพุทธรรมติก็ได้นะหรือว่าตามความเป็นจริงที่จริงมันไม่ใช่ปฏิสิหรอกมันความเป็นจริง จะมัติในที่นี้หมายถึงปัญญานะเกียการชาติปัญญาแบบพุทธเนี่ยโลกในแง่ของความเป็นจริงมันเป็นอย่างหนึ่งแต่ชาวโลกมองไปอีกอย่างหนึ่งจะทำให้เกิดอาการที่เราเรียกว่าหลงโลกหรือเข้าใจโลกไม่ได้ชัดเจนอย่างตอนที่ปุจ้าได้รับสั่งเป็นพุทธวสิทธบทหนึ่ง คือไพเระแล้วก็สะท้อนภาพทัดทานชัดชัดมากนะว่าโกนุหะโสกิมานันโดนิจังปัจจรเิเตสติอันตะการเรนะโอนาัทปาดีฟังนะกเวสตันเธอตั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินเรื่องเริงอะไรกันอยู่อีกแล้วในเมือโลกสันนิวาสเ่ยลุกโพร่อยู่ตลอดระยะเวลา เพราะเธอที่ถูกความมืดทุ้มห่อเอาไว้เนี่ยทำไมไม่สแสวงหาประทีพสองทางให้แก่ชีวิตละ่ะนั่นก็คือการสะท้อนแง่มุมของโลกของชีวิต เ, เราจะเห็นว่าโลกมันมีความเ ร, ร้อนมีความรุนแรงในเวลาเนี้ยถ้าเราดูรายการทางโทรทัศน์เนี่ยมันหายากอะ่ะนอกจากไปดูดิสคัพเปอรี่อะไรเนี่ยหรือว่า ในเรื่องวิชาการที่บริสุทธิ์เต่นี่วิชาการเหล่าเนี้ยมันไม่ค่อยบริสุทธิ์อย่างเนี้ยอย่างอย่างรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรียกอะไรอ่ะตามหาแก่นทำเนี่ยฮะมันเข้าทะเลเข้าป่าไปไหนตัวไหนแล้วก็ไม่รู้เคยว่าเคยตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ก็ทํามองต่างมุมมาแล้วและมาเองก็เคยเข้าร่วมมองตรังมุมเคยเข้าร่วมในสมาแคนธรร ม, มนะคร คือค่อนข้างชัดเจนว่าเขามีเป้าหมายเขาไว้แล้วคือภายในใจเขาเนี่เขามีเป้าหมายไว้แล้วเขาจะควบคุมทิศทางให้มันเลือกมันเดินไปถึงไหนแล้วประการสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าคนที่มาแสดงความคิดความเห็นเนี่ยมันที่สูดได้ยังไงก็เป็นพุทธอ่ะบางทีนีนพูดไม่มีเหตุผลในวันก่อนในมีคนมาเล่าฟังว่าเขาดูพูดถึงว่าพระไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะพระองค์หนึ่งท่าน อายุต้องแปดสิบแล้วเวลาเขาพูดอ่ะบอกให้มันพูดใกล้ๆหน่อยก็แสดงท่านหูหนวกอะแล้วพูดถึงว่าพระคนแก่ทั้งแปดสิบไปจีบสาวมันก็เกินไหมะพูดอะไรเกินๆไปแล้วก็ที่ประชุมก็หากันเป็งคือมันไม่มีวิจารณญาณไม่ส่งเสริมภูปัญญาอะไรให้มนุษย์ได้คิดต่อ แล้วพอมีคนคนมาเล่าฟังวันนั้นน่ยพอเล่าปั๊บเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งก็พูดปุ๊บ ก, ก็แบบทีได้นี่ก็บอกแสดงว่าหลวงพ่อเนี่ยโหไม่เคยได้ยินนแต่ผู้หญิงที่พูดก็แสดงว่าหลงตัวเองมากไปนหน่อยคนแก่แปดสิบปรุ่นปัวแต่ท่านจะวันทีท่านก็ไม่ได้ยินอ่ะก็มีอย่างๆพูดดังๆหรือว่าพูดใกล้ๆหน่อยก็ท่า น, นั้นเองก็ไม่ได้พิษสวาสดอะไรอ่ะ แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งว่าคนนี้เจตนานดีต่อศาสนาหรือเปล่าแล้วเขาเป็นใครก็นักถือศาสนาอะไรเรารู้ได้ยังไงนั่นคือสิ่งเดียวเป็นปัญหาแล้วมันไม่ได้ใช้วิจารณญาณอะไรเลยนะตามหาแก่นแล้วก็ตามหากะเลสหมด่าอะไรสื่อในแนวตัวนี้มันเป็นเรื่องที่คลีมมุมหมมเมา แล้วก็ตัวเองอาจก็จะถูกมองๆมาก่อนหรือมีอคติมาก่อนคือผลประโยชน์ที่จะได้่ยจริงๆมันน้อยอนะเพราะว่าแก่นธรรมเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วในศาสนานี่แก่นธรรมคืออะไรแก่นธรรมคือศีลคือสมาธิคือปัญญาคือวิมุตติคือมุตติยานทัศนามีอยู่ห้าแก่นนั่นเองและเหตุก็มีแค่สามนั่นเองคือศีลสมาธิปัญญาแล้วตัวผลก็สองแก่นคือวิมุตติ กวิมุตติยานทธศนาก็ท่านนั้นนะฮะไม่ต้องไปหาหรอกหาในใจตัวเองไม่ใช่ไปหาทางนอกแล้วคนนี่ชอบพูดคนไทยเนี่ยชอบพูดเรื่องที่เราไม่รู้ก็ชอบพูดก็เรียกว่าเรียนน้อยแต่พูดมากใั้นลองสังเกตเหเวลานี้นะคือนานๆาก็จะนิมนต์ไปไหนที่ ต้องขึ้นเครื่องบินดีหนึ่งคือตามปกติก็ไม่ชอบขึ้นอนะ่ะรามันอึดอัดไปอยู่กับคนบางทีเนี่ยไม่เรียบร้อยเลยนะไปนั่งใกล้เขาเนี่ยอึดอัดแล้วเราก็ไปเจอบางทีเออมันก็อาการหนักนะหลบขึ้นเจคลาดแล้วนะตอนเนี้ยคือมันขี้เกียจยุ่งกับคนอีอะวอยไ ว, ไ ว, ไวลั่นหมดนี้คนระดับนี้มันเป็นยังไงล่ะ นั่นก็คือโลกมันเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยมันเป็นก็มันอย่างนั้นเองไม่ใช่ว่ายุคพระพุทธเจ้าหรือยุคไหนก็ตามโลกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะถ้าเราอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นไม่ได้ใช้ปัญญาในการกันกรองในการตรวจสอบพิจิพิจารณาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะสยบติดอยู่ยกับโลกเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงกระตุ้นเตือน ว่าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินรื่นเริองอะไรกันอยู่อย่างนี้รายการนโทรทัศน์เนี่ยก็ลองดูดิมันมันแสดงวุฒิภาวะอะไรมันให้อะไรรายการตลกของฝรั่งคนหนึ่งฝรั่งนิโกรคนหนึ่งนะที่อะไรก็บอกว่าจะทําเงินแกเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยนะมีเงินคิดเป็นเงินไทยเป็นพันๆล้านนะนะแค่รายการในรายสารเออคนมันก็สนใจเรื่องราสาร ถ้าก็บอกว่ามันโลกเดี๋ยมันลุกโครงอยู่ตลอดอยะเวลามันควบลุมไป่ได้ไฟราเขา้ไฟโทสะไฟโมหะไฟริสยาไฟแข่งดีเบียดเบียนมาทุกสรายกันในเวลนี้ยดูแล้วน่าเกลียดฟังข่าวคราวพวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันไม่ค่อยมีสำนึกชาติอ่ะพอผิด เป็นผ้าว่าที่จริงราษฎรผิดนะอย่างเนี้ยอย่างบุกทำเนียดนี่มันผิดแง่ๆเลยไม่มีทางพูดไปอย่างอื่นได้ครับแต่ว่านักการเมืองไปเชียร์คนระดับด็อกเตอร์ไปเชียร์เขานั่นคือแสดงว่าถ้ามีโอกาสกระทืบคนอื่นได้แล้วจะไม่ดูถูกผิดเลยนั้นแสดงไงแสดงว่าแรงริษยาแรงวิหิงสาที่มันออกมาอย่างเงี้ยเพราะอะไรยั่วยากรกะคู้ลกลัวกระยุ้อยากเนี่ย เพราะอะไรเพราะว่าโลกเนี่ยมันมากไปด้วยริศยาเกบีหิงสาคือเบียดเบียนกับริศยาและพวกนี้มันก็เผาลุกโครงอยู่ตลอดระยะเวลาทำไมจิตใจมันไม่ค่อยสงบไม่ค่อยสงบบางครั้งบางคราวเนี่ยมันอยู่ในคณะกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าควรจะสงบนะก็ยังเป็นห่วงท่านอาจารย์หมาบัวอยู่นะ คือยังนึ ก, กว่าคนเหล่านี้ท่านรู้จักหรือที่มาบางครั้งบางคราวนี่แรงไปนะสมับคนที่อยู่ในภาพลักษณ์ของนักบวชเนี่ยของนักการศาสนาอาจารย์บัวท่านสอนวิปัสสนาทนกรรมฐานนะถอนสงบเย็นนะสอนเรื่องสงบเย็นไม่ได้เรื่องเรื่องเรื่องรุนแรงอะไรแต่ว่าใจลูกศิษย์มันกลายเป็นลูกพงอย่างนี้มันเริเป็นเรื่องนีน้าคิดนะ ไฟลุกโพรงเนี่ยไฟราคะไฟโทสะไฟโลภะไฟโมหะไฟริสยาจะแปลกไหมฮะว่ามันไฟลุกโพรงอยู่เนี่ยแต่รับสังว่าเธอทั้งหลายที่ถูกความมืดทุ่มห่อเอาไว้เอ๊ะไฟมันสว่างมันน่าจะสว่างไงนะไม่น่าจะมืดแต่นี่คือไฟไหนอะฮะไฟคือราคะไฟคือโลภะไฟคือโทสะไฟโมหะมันมืดเลยนะมันเหมือนกับอะไรล่ะที่เราเรียนหนังสือสมัยเป็นเด็ก ู้สึกว่าอยู่ในหนังสือกามนิทวาสิทธิ์นะที่พูดเอาไม่ใช่ไม่ใช่กามนิทวาสิทธิรู้สึกพระนิพพานกันที่หกราวกันนะฮะที่บอกถึงว่าความรักเหมือนโรคาปันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคหน้าใดๆความรักเหมือนโคถึกกำมังคึกไปขังไว้ก็จะออกจะคอกไปไปยอมอยู่นาที่ขังนี่คือแรงหลักะ เห็นไหมมันมืดบอดมันไม่มีเหตุผลอะไรไม่ได้มีความคิดแล้วก็อะไรก็รุนแรงออกมาด้วยแรงของโลภะแรงของราคะริษยาอาฆาตยาบาต ท, ทั้งหมดอ่มันมืดเพราะมันมืดเพราะอะมันมืดเพราะอาวิชชามันไม่ได้มีเหตุผลมันไม่ได้รู้เหตุรู้ผลก็ลทำให้บางเรื่องเนี่ย อย่างที่ไปคราวหนึ่งไปพิพายในที่แห่งหนึ่งก็ไม่รู้นะฮะว่าที่จริงถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ไปหรอกบอกว่ามันไม่จําเป็น่ะคือก็มีดอปเตอร์อยู่สองคนก็บอกว่ารอบรู้ทางเรื่องศาสนาเขก็พูดเก่งอยู่หรอกแต่มันไม่มีหลักแล้วโดยเฉพาะอย่างจริงคือไม่ยุติกะหลักในพระไตรปิฎกมีหลายตอนนะฮะส่วนใหญ่ก็ถูกดันแหละ แสดงมารอบรู้จนจนไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดคือปฏิเสธในเรื่องสําคัญสาคัญหลายๆเรื่องแล้วก็ตอนวิปรายก็เตือนไปไกลๆนะเพื่อเกิดสําติ ว, วก็เราก็รู้ว่าเขเป็นใครมาจากไหนเขาบอกว่าเมื่อเราจะพูดเรื่องพระพุทธศาสนากับสังคมปัจจุบันเนี่ยมันต้องเอาเฉพาะพระพุทธศาสนาคือพระบาลีพุทธวจนะเลยนะที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ย ตัวศาสตร์พระพุานาก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันจะแก้ปัญหาสังคมปัจจุบันได้ยังไงบ้างแล้วก็ไปอ้างคําสอนของอาจารย์เขาวาทบวหาเนี่ยเราก็นึกว่าเออแต่ถ้ารู้อย่างนั้นก็ไม่ไม่อยากจะไปไปพูดด้วยเพราะว่าคนฟังเนี่ยมันบางทีก็จับไม่ได้เพราใครเป็นคนพูดแล้วก็ไปเข้าใจว่าเราพูดเราก็แย่เหมือนกัน เพราะลักษณะของโมฆะเนี่ยมันมืดบอดมันครอบงำจิตใจของบุคคลเอาไว้แล้วทีนี้ประชีพคือปัญญาเป็นเครื่องส่องทางให้แก่ชีวิตเพราะลักษณะจุดเด่นของเจ้าชายทิฏฐะนี่เราจะเห็นว่ามันอยู่ในโลกอีกมิติหนึ่งคือหมายความว่าในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งมันถูกคุ้มห่อเอาไว้แล้วก็ถูกเผาล้นด้วยแรงกิเลส เจ้าชายกลับสงบเย็นได้เลยอย่างทรงพระเยาว์ท่านรูกังคุนึกออกที่ท่านนั่งสมาธิตอนประชนภาษาเจ็ดขวบนึกถึงเด็กเจ็ดขวบคนหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็อยู่ท่ามกลางความสนุกสนานคึกคลื่นของกลุ่มคนจำนวนมากเนะี่ยมานั่งสมาธิอยู่ได้ ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าศึกษาน่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นการจุด ป, ประกายของความคิดขึ้นมาเพราะว่าท่านก้าวไปจนถึงปฐมฌานนะฮะปฐมฌานอารมณ์มันก็มีปีติมีวิตกคือความตรึกที่เป็นกุศลวิจารณ์ความตรองที่เป็นกุศลปีติความเ อ, อิ้อกิมใจสุขความสบายกายสบายใจแล้วก็เอกกตตาคือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียว ก็ไม่ใช่ธรรมดานั่นก็แสดงถึงภูมิธรรมที่มีอยู่ภายในพระไทยของพระองค์เพราะการเสด็จเรียบพระนครเนี่ยเรียบเป็นทางการเนี่ยหนึ่งครั้งแต่วเป็นการเตรียมตัวรับรองนะนการเตรียมตัวอย่างนี้มันก็แบบธรรมดาแบบผักชีโรยหน้าหรือวันก่อนไปเจอ ก็จริงๆเขาเป็นหลานชายนะฮะเดี๋ยวนึกนึกชื่อก็ไม่ออกปวดไปพูดมาก็ น, นึกถึงว่าเออเมื่อก่อนเขาอยู่การไฟฟ้าเนี่ยบอกมันทำไมมันบุ้งวายแลวเกินคือเรื่องไงมันมันไม่ได้จะมีปัญหานะ เช็นสมมตว่าคนเสียสิทธิทประโยชน์ไปต้องเว้นคืนที่เท่าไรแล้วก็ใครบ้างเนี่ยมีพื้นที่คนละเท่าไรเนี่ยมันน่าจะรู้แล้วมันทะเบียนราชมันมีแล้วนะแล้วดูที่กรมที่ดินก็รูมันไม่หน่วยงานตั้งเยอะทำไมเรื่องขนาดนี้มันมีปัญหาคาแผ่นดินอยู่ได้แล้วก็ถามก็ดูว่าบอกว่ามันมันแยกกันรับผิดชอบ ทีนี้เราจะเห็นว่าถ้ากลุ่มหนึ่งเกิดไม่ทํางานขึ้นมาโดยเฉพา ะ, ะกลุ่มส ม, มรวจภาพพื้นดินเนี่ยก็เห็นได้ชัดเนี่ยยังเกิดแบอมูลเนี่ยคือท่าที่ราชฎรเขาว่าเป็นความจริงแต่ไมตัวเลขราชการถึงไม่ตรงกันอันนั้แสดงว่าคนเขาราชการต้องไม่ทํางานแต่นี่การพื้นดินเนี่ยมั น, ม, นมันก็ต้องมีว่ารวมแล้วเนี่ยมันกี่ได้ทั้งหมดมันกี่ได้แล้วก็จริงๆพื้นดินตรงนั้นน่ยมีกี่ได้ แล้วคนตรงนั้นเนี่ยคนก็อยู่ตรงนั้นจริงหรือเปล่าพี่จริงมันวิธีคิดวิธีหาข้อยุติเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่ว่าแสดงว่าต้องมีจุดบอดอะไรอยู่สักจุดสองจุดอาจจะหลายจุดก็ได้นะฮะล้วก็ดูไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นการชี้เห็นหนึ่งหนึ่งว่าเป็นเรื่องของการปรุงแต่งเราปรุงแต่งแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ชัดเจนเราก็ลงทาง นะอย่างราชการที่มีการไปเยี่ยมเยียนไปสวดราชการต่างๆมันปรุงแต่งชวนใหญ่อะแล้วตัวอย่างที่เราดูสมัยจอมพลปที่สร้างเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยก็ที่จริงก็ปรุงแต่งอะคือทำจนท่านไปเข้าใจว่าบ้านเมืองมันเจริญแล้วขนาดไปเพชรบูรณ์ยังมีไอศกรีมกินอยู่เลยแสดงเจริญนะฮะเล่นเอาคนไปถางปาแยกกันไปแถวไว้เลย ภาพเหล่านี้มันเขที่เราเรียกว่าคี้รวยนะมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ใดมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยคือมีความรับผิดชอบนีต่ต่ำแทนที่จ ะ, ะเผชิญความจริงมันไม่ยอมเผชิญความจริงแต่ก็สร้างความสับสนทั้งๆ ท, ที่มันสับสนอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉในแนวตัวเนี้ยแนวปรุงแต่งตรนี้ที่จริงมาสร้างความสับสนให้มากยิ่งขึ้นแต่ก็จุดสะดุดใจคือสาหรับคนมีปัญญาเนี่ยมีสักจุดหนึ่งมันก็สะดุดแล้ว เราพระองค์ไม่พบเห็นคนแก่คนเจ็คนตายอะไรจริงๆอ่ะแหละนะตอนแรกเนี่ยแต่ว่าบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่าย้ายหนีไม่ได้แล้วไม่มีทางที่ไหนที่บ้านมันเหมือนกันเราบ้านเน่ยมันบอกอะไรอีกเยอะอยู่เบื้องหลังบ้านเนี่ยพระเจชายก็มองจากบ้านก็เห็นถึงความแตกต่างว่าสังคมไม่เป็นอย่างที่เห็น แต่จะต้องเป็นจริงๆเ่ยต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งทีนี้การจะดูให้เจอจริงๆมันไม่ใช่มาเป็นทางการมันต้องไปใหม่แต่ต้องไปในรูปที่เรียกว่าเป็นการส่วนตัวดังนจึงขออนุ ญ, ญาต จ, จากพระราชบิดาไปเที่ยวเป็นการส่วนตัวก็ น, น, นายชนะนะก็ถือว่าแปลก หรือว่าแปลกน่าจะชวนพระอนนท์อะไรอนนท์อ น, นันทะกุ ม, มารหรือว่านันทะกุ ม, มารพระพระนุชาเนี่ยเอาในชนะไปก็เป็นที่จริงในะชนะเนี่ยก็เป็นสาชาตินะเกิดปันเดียวปเยวีเดียวเดือนเดียวกันก็ทำให้พบเห็นแต่ว่าภาพต่างๆถ้าเราดูในในในที่อื่นแล้วเนี่ย คือคนเราบางทีเนี่ยพระตาอาจารย์ท่านเอาเทวดามายุ่งมากไปหน่อยเรื่องบางเรื่องมันไม่น่าจะต้องมีเทวดาก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นภาพธรรมดาเนี่ยคนแก่คนเด็บคนตายเป็นภาพธรรมดาไม่ใช่ภาพพิเศษอะไรนักหนาอย่าลืมมาตอนนั้นท่านก็ประชานจะผรรษาจากยี่สิบเก้าแล้วพระเจ้าสุโธธนาผ่านมายีิบเก้าปีไม่แก่เหรอมนาหมาประชาบดีไม่แก่เลยยังไงก็ต้องแก่นะคนนั้งยี่สบกว่าปีไม่แก่ได้ยังไง เมืเ่อต้องเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพระราชาวงศ์ผู้ใหญ่ก็ต้องแก่นะจะว่าอย่างไงคือยังชอบใจที่ตลักฐานต่ที่อื่นๆนะฮะเช่นว่าเจ้ชายไปพบสุนัขไม่ใช่อีกาแย่งอาหารแย่งชิ้นเนื้อกันแล้วก็จิกตีกันจนเนื้อล่นไอ้สุนัขข้างล่างไปแย่งกันแล้วฟัดกันแย่งอาหาร มันก็ทําให้เห็นบนโลกเนี่ยการมีเนี่ยที่จริงนําไปสู่ปัญหามีพอสมควรมีเรียกมีประอยู่พกินไปได้ถ้ามีมากๆแล้วก็มีปัญหาอย่าไการถือครองคือการถูกล่ลาเพราะมีกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่จะยือ้ย อ, อย่างผลประโยชน์เหล่านั้นไปเป็นของตัวเองเพราะในบทเรียนเหล่าเนี้ที่จริงมันก็เรียนจากธรรมชาติธรรมดา เป็นวิชาผ้าสนามจริงๆแต่เป็นเรื่องแปลกคือว่าเราไม่ค่อยไม่คยสนใจในเรื่องเหล่านี้เราสังเกตตัวแนวตัวนี้ที่จริงมันคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้หรอกแล้วเราจะเข้าใจเข า, ากลับไม่ได้จักคาว่าเขา เ, เขาเป็นเขาอย่างนั้นเองก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนไปตื่นเต้นอะไรกันนักหนาะ ปล่อยเขาไปเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของเขาแต่ว่าเราจะอยู่จมปลักอย่างนี้หรือเปล่านะและในที่สุดก็มาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยของเราก็บอกว่าเทวดามันมันเอระมิดขึ้นมาเนี่ยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายกบาลีท่านก็เล่าไว้ ก็รุรานะเป็นดานองที่เรียกว่าเทวดาก็เห็นว่าถึงคราวที่ราชกุมาสิทธะจะต้องเสด็จออกพโนดได้แล้วพรา ะ, ะก็เลยก็นิรมิตตัวเองเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายและในการต่อมาก็ไปเห็นสมนะัมปณะพละเทวทูตะนี่แปลผู้สื่อสารที่ประเสริฐเป็นการบอกกล่าวถึงสัจจะแห่งชีวิต ให้เจ้าชายได้สัมผัสด้วยตัวของท่านเองก็หมายความมาแก่สุดๆนะเจ็บจนจะตายมีตายแลอยู่แล้วแล้วก็ตายเลยนะตายขึ้นอืดพองเลยมันเป็นภาพที่กระแทกกระแทกใจได้สูงภาพเหล่านี้ที่จริงถ้าเรานั่งคิดนะนั่งพิจารณานั่งคิดดูว่ายังนึกถึงการเผาศพ ส, สมัยโบราณนนะ่ะ ที่ก็ปักเป็นเสาสี่เสาแล้วก็เอาไม้วางซ้อนแล้วก็เอาโลงวางแล้วไม้ทับลงไปอีกแล้วก็จุดไฟเนี่ยแล้วก็แทงตอไปด้วยนี่จริงไม่เป็นครูนะเรียนความจริงของชีวิตในวันนี้อุปกรณ์เหล่านี้ก็เรียนได้เยอะคือเพื่อเห็นว่าชีวิตเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นคนที่เกิดมาแล้วเท่าไหร่ก็ตายกันไปทั้งนั้นยวทําให้ อย่างน้อยนะฮะช่วยกระตุ้นเตือนให้คนอยู่ครองชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทในวัยในชีวิตต่อในความไม่มีโรคแต่ว่าภาพลักษณ์เหล่านี้มันกลายเป็นแรงผลักดันที่ให้เจาชายสิทธัตะได้แสดงดอกพนวดในโอกาสต่อมานะฮะหมายความวันนี้ก็เป็นปันจจัยส่วนหนึ่ง แต่ว่าตัวการใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่บารมีธรรมอ่ะมันความโน้มเอียงที่อยู่ภายในใจของคนเราจะเห็นว่าแม้แต่คนดีอยากบวชเนี่ยบางทีก็อยากเองไปบอกพ่อแม่บอกว่าอยากจะบวชแล้วบวชแล้วก็ไม่อยากสึกเอาพ่อแม่ก็มาดึงให้สึกอีกอันนี้คือสิ่งที่อยู่เบื้องเบื้องลึกอยู่ภายในใจของมนุษย์ซึ่งก็แต่ละคนก็มีอยู่แต่ว่ามีในด้านใดมากเท่านั้นเองต้องฟังเท่าไหร่ และลมประภวตยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี